ต้องแยกเป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือนเหมือนกั น, นทำกับใจจึงเข้ากันได้สนิทเพราะธรรมก็ไม่ได้เป็นภาษาขอ ง, ข อ, งอะไรธรรมก็คือภาษาของใจอทำอยู่กับใจความสุขความทุกข์อยู่กับใจ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 นันเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแก่นหรือแก่นของสกุลร่างกายเราเป็นแกนอันซึ่งเป็นของแข็งนี้เป็นของเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ่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 ความหมายความจําวิญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตากระหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการหนับอยู่ประจําตัวของเขาเองท่านนี้เรียกว่าขันแต่ละแต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรียกว่าขัน แปลว่ากองหรือแปลว่าหมดมีการเกิดการหนับอยู่อย่างนั้นเป็นประจำแม้พระคีณาศพท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชนทั่วทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันลงท่านเป็นขันล้นล้วนไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือชใช้ทำนั้นปรุงนี้คิดนั้นเป็นขันที่คิดโดยธรรมชาติของมันเอง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 เหล่านี้ส่วนแรกตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปุ่มอย่างนี้ให้สําคัญมั่นหมา ย, ยานั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีณาศคือพระอรหันต์ท่านท่านไม่มีตุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่ยื้อเยื่อไม่กดท่วงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดังขันที่มีกิเดศปกครองหรือมีกิเดศเป็นหัวหน้านผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั่นเหละเหมือนกัน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 ไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิ ต, น, จจตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิด <c oughs> เรื่องตายที่เกี่ยวก้อเรื่องธานเรืองขันไปรสร้ากเนิดเกิดที่นั่นทีน่นี่แสดงตัวเป็นอันหยาบออกมาเป็ น, ปนสัตว์เป็นมุขคนเป็นต้นอั น, นจึงไม่มีสำหรับจิตรวงที่บริสุทธิ์แล้ว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 หากได้เคลื่อนย้ายจากธาดจากขันอันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใครชาติใดก็ตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแนนจะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถ คืออานาจวัฒนธรรมวิญาไปี่ต้องผ่านที่สร้างมาโดยลําดับลําดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลําดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลําดับเช่นเมื่อวานนี้เป็นอดีตสําหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสลำดับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาด้วยกันทั้งนั้นและหนุนกันไปเป็นลําดับลาดับจนกระทั่งจิตมีกําลังกล้าสามารถเพราะอำนาจขอความดีนี้เป็นเครื่องสนาดหนุนแล้วผ่านทนไปได้ คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาและจะไะเกิดในพบที่ละเอียดขนาดไหนก็าตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุตแิแส ง, ง่ีนั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ได้จากจิตพระอระหันต์ท่านจิตพระพุทธเจ้าพูด ถ, ถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพราวังคีศักดิ์ สวังกีษะท่านเต่นมากตั้งแต่ท่านเป็นคารวาสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูรู้เป็นอะไร ก, ก็พูดไม่ถนัดคงเก่นทางสยวิชาแน่แต่ภาษาปัจจุบันนี้ใครตายเนี่ยเขาเอามาให้เคาะกระโหลกศีรษะป๊อกป๊อกป๊ก๊กำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่ไห น, น อันนั้นตรากดที่นั่นเขียนปรากฏนะเป็นสัตว์นรกก็บอกถ้าเกิดในนรกก็ก็บอกไปสวรรค์ก็บอกถ้าเป็นสัตว์เดชฉานไปเป็นเป็ดเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้เคาะกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้คนพอไปถึงพระพุธทธเจ้าท่านก็เอาศรีรษะพระอรหันต์มาใหเคาะ เอาลองเคาะนี้ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบกำหนดอะไรเงียบให้ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศรีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนกรอบพูดยำกรงไปลงมาว่าไม่ทราบที่เกิด อ, อันนี้ความนั้นทีแรกทวาศรศีรษานี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด จะไปแข่กับพระพุทธเจ้าน่ะคุณ ง, ง่ายๆแต่เวลาไปถึงพระเจ้าแล้วท่าองเอากะโหลกศรีรษะพระอาหารมาให้เคาะอันนี้มาติดตรงนี้นก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมาก ถ, ถ้ารู้นี้แล้วให้เรียนสำนักพระเจ้านั่นแหละที่นี่เขาสอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกะโหลกนี้ได้เข้าใจนะสอนวิชาวิชาธรรมนี่ปปปปไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเย ให้พระวังคีสสากลิสัมเด็จอรหันขึ้นมาท่านหนึ่ยไม่สนใจจ ะ, ะเคาะศรีรษะใครนอกจากเคาะศรีรษะจ้ของรูปที่อันชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะศรีรษะที่ถูกต้องนี่แล้ยกถึงยกเรื่องจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกศรีรษะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พระวังคีสสาก่ อ, อนเก่งมาก นี่เป็นอ น, นี้จิตคือบริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพระโคทิกะก็เหมือนกันอันนี้คนหนาเนต็นคติอยู่ไม่น้อยท่านไปบาเพ็ญสมณธรรมเจริญแล้วขึ้นไปโดยลาดับลาดับแล้วเสื่อมลงจเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี่มิตโกนมาเชือดคอตัวเอง แล้วอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระหันในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญ า, ามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของทาง่านค่ะูกภาษาของเราก็เรียกว่าตลบเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจออภิรัจกาท่ า, ย า, ย า, านนักสังมว่า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 ในวงสมมติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของประรหานท่านได้เพราะท่านนอกสมมติไปแล้วจะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กําลังล้มลุกคุกคลางอยู่เวลานี้ก็ตา่างเมื่อได้ถูกชาระเข้าไปโดยสม่ําเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรนี้จะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดจนถึงที่สุด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 ส่วนจิตนั้นไม่ได้ น, นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอานธทรมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและ ท, ที่จะสามารถให้บรรลุทำขัน้นต่างๆน่าจะมาทั่งถึงีิมุติบุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีการไม่มีกฎเกณจะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอันาจวาสนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าฐานไปได้ด้วยกันทั้งนั้น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 ใครจะหยาบขนาดไหนก็อยากเถอะถ้าลงความเขียนในพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอเมื่ความรู้สาพยายามของเราแล้วความหยาบนั้นจะมันจะค่อยหมดไปหมดไปความละเอียดจะค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำเพราะการบำเพ็ญของเราจนกระทั่งถึงสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแมขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนภายในจิตใจ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 ว่าไงแล้วเจ็บนั้นปวดนี่ก็ต้องไปหาอยูกหายาของเขานั่นแหละเป็นคนเจ็บแล้วเขานัูหาอยูกหายาเงินทองเขาของกับเขาหามาอะไรอะไรหมุนกันไปหมุนกันมาแบบนี้นี่เป็นนักทราบว่ใครเป็นใหญ่กว่าใท่าขันกับเรามันเราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดี่การเจ็บคข้ได้ปวดการหิวการกระหาการอยากหลับอยากนอนล้วนได้ตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นบังคับเราเท่านั้น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 ต้องเป็นสิ่งที่พผลใจทั้งนั้นจะเลือกว่าบุญคือความสุขที่โลกป้องกันมืวยกันถ้ามีใครใครอิ่มพอก็คือความสุขนี่แหละจะเป็นสุขทางในก็ตามเป็นสิ่งที่สายโลกป้องกันฉพาะอย่างยิ่งสุขภ า, ายจในจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทําพุ่งงามความดีเป็ น, นลําดับลําดับมีภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสุขอันเป็นแก่นที่เป็นสาระสําคัญภ า, ายจในจิตใจขอให้พากันบําเพ็ญในเวลา ร่างกายหรือธาตุขันนั้นเป็นไปอยู่นี้เมื่อถึงอวาสานเนี่งทีเดี้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั่นแี่ยจะทําได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทําได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นไม่ว่าหยุดงานาพักงา น, า น, น, านได้แล้วโน่นพบใหม่ต่อไปถือควรจะทําได้เราก็ทําหากผ่านประสิทธิ์มันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องลุ่มหลงต่อไปนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่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 ยอมับมันไปเรื่องของกรรมมันเปลี น, นมันจนกระทั่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาการแสดนธรรมก็เอาไปแค่นี้ต่อไปท่านปัญยาอธิบายให้ท่านมี้ฟังอุปมาที่เวลาจิต สงบลงไปถึงขั้นตระหนาสามาธี่ที่พูดว่าขันไม่ดับหมดเนี่ยนะครับเวลาที่ถอนจิตออกมาแล้วทำไมเราถึงรูครับว่ า, าจิตเราเป็นสมาธิถึงขั้นตระหนาสามาธแลจะเอาสัญญาขันมารู้ครับนในขณะนั้นเนท ควรู้ไม่ได้สืบต่ออะไรทั้งหมดขันนี้ไม่เก็บเลยแค่ขี้แคบคือคือที่พูดรู้ว่าเวลาที่อยู่ท่านอันขนาดนี้สัญญาขันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณอะไนี้ดับหมดดับรำลงทันที่ดับททีขาดไม่เหลือเลยอ่ะแล้วตอนนี้เวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยทําไมถึงรู้ครับรู้ตอนมันถ่านนันมายุ่งเหร ตอนนั้นมายุ่งนะตอนนี้มันดุ่งมึนถึงไดู้ดกันคือตอนนั้นมายุ่งตอนนี้มันดุ่งถ้ามันมันจะมีสักอย่างเดียวนั้นมันก็ไปได้มาพูดกันนเพราะมันมีการยุ่งทํามาเกี่ยวข้องมาเป็นคู่แข่งอย่างที่ได้บอกแต่ตอนนี้มันยุ่งร่างแหน่เข้าใจได้หรือเปล่าเมื่อวานเรานอนหลักสนิทอาวแล้วเราเทียบกันหลับสนิทถ้าเราหลับสนิทนะครจะมาพูดได้ตื่นขึ้นมาร่างแหน่เมื่อคืนหลับสนิทดีเลยเหมือนตายว่ะเนี่ยแต่ทว่าที่เรามัน มันหลับสนิท ด, ดีนะ<อ>ยังนี้หมายความสัญญาเราเราเราู้ได้ด้วยอะไรครับือเรารู้รู้ได้สัญญารู้ได้ด้วยสัญญาใช่ที่รู้ว่าหลักสนิทนั่นแหะครับความันต่างคนต่างเคยลักสนิทแล้วมาถามมาต่างใหม่มนักปราชญ์ก็เคยลักสนิท ห, หรือวะคือต้องมาถามอาจารย์ถ้าว่าคนเคยหลับสนิทแล้วก็ไม่ควรถามนี่มันเป็นการขายตัวเองนี่นะ่ะ แล้วก็เราก็การสัญญาของเราเนี่ยนะไปจับอาการที่มันสนิทตอนนั้นไม่รู้ว่ามันสนิทไม่สนิทหรืนะแต่ตอนนั้นนะพอออกมาแล้วคำรู้อัญญญาเนี่ยไปจับอั น, นเดิมนะมาพูดถ้าสัญญาไปจับตัวเดิมมาพูดก็หมายความว่ามันไม่ได้จับสนิท ก, กันนะหมายความว่าเวลาที่ถึงขณะ ท, ที่เอจิตเป็น สมาธิถึงขั้นอัปนาสมาธิเลยตัวตัวสัญญาขันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดับสนิทถึงเพไปไปจังมาด่าแล้วคุณชายเขาใจมันดับสนิทมีไหมมันดับสนิทมีไหมล่ะก็ผมว่ามีครับดับสนิทแล้วคุณชายเคยดับสนิทดีไหมวะอ๋อผมเคยหมายถึงนอนหลับสนิทใช่ไหมครับเคยครับแล้วทนี้เอามาพูดแทนไหมล่ะคุณชายเรามาพูดเลยไ้มว่าคุณดับสนิทดี เวลาตื่นขึ้นมาแล้วแหม่มคืนเราเป็นอี ด, ดีบางทียังเย้าอยู่กับแม่มเหมือนตายเลยว่านั่นด้ตอนนั้นมันก็ไม่อะไรละตอนถอนมานีมันประจับเอานันกีรนี่มั น, น, ท น, มนำทำงานต้องปรจับเพานั้นมาพูดตอนไม่ทางานก็มีเฉพาะคือยจินขนาดที่มันดักขนาดนั้นแล้วมันก็ม่มีอ่ไทั้งหมด เรื่องอาการวันนั่งหรืออะไรมันไม่มีนะอะไรทั้งหมดมันไม่มีมันพูดได้แต่สักจะรู้เท่านั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะเราคำว่ารู้นี่มันปฏิเสธไม่ได้นะครับมันห่อสัจจะวะรู้ถ้าคําว่าสัจจะวะรู้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ระหนึ่งต้งยิ่งกว่าอะไรอีกแหละอันนี้ที่ว่าสัจจะวะรู้เนี่ยถ้าเราแยกอะไรอยู่ไม่ได้ไมันต้องเป็นสองมันมาทันทีแยกไม่ได้เลยเราจะพูดได้แต่สัจจะวะรู้เท่านั้น นี่นหละเ่องดับจริงๆมันเดือดนั้นเราจะมาเราเรานั่งอยู่หรือนอนอยู่หรืออะไรเนี่ยมันมันมันแยกออกมาไม่ได้วันเถือ่อินนะแยกออกมามันก็เป็นมันก็มาทรามเป็นอาการนอนอาการยืนอาการเดินนี่นะแยกมายี่ไม่ได้ในขณะนั้นนี่อันเดียวแล้วพูดออกม่พูดกไดไ็ได้เลยพูดง่ายนะเราจะพูดได้แต่ว่าสักงเทวะรู้เท่านั้นนี่เท่านั้นเ่วะสักงเท่านั้น พูดอย่างเต็ปมปาก็ได้ได้แต่ว่าสัตวต่ว่ารู้ตอนนี้ก็สัตว์แต่ว่ารู้ถึงขนาดนั้นเนะี่ยตัวสติกับตัวปัญญาแล้วก็ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดเลยก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไนงะถ้าสติจะมาทราบว่าเร า, านี้อย่างนี้เหมือนเราทํางานด้วยสติอยู่นะมันไม่มันไม่มีคือเวลาเราทํางานด้วยสตินี่สติก็ตั้งท่าใช่ไหมลนะ่ะปัญญาก็ทํางาน มันเป็นธาตุตั้งธาตุท่านั้นไม่มีนะธาตนี่ไม่มีเพราเราจะว่าสติไม่มีหรือว่าสติรวมๆมีแต่จุดเดียวก็ถูกคือสติไม่ทํางานเวลาล่ะน่นนะปัญญาก็ไม่ทํางานนี่แต่สัจจะวรู้ที่เป็นอันเดิมนะเขาจะรู้ไม่ไม่แสดงอาการอะไรเลยอาการนี่นก็ได้เก่ดปัญญาได้เกิดสติเป็นอาการไม่ไม่แสดงเหมือนกันตอนนั้นนะความมีผู้รู้อีกตัวเดียวใช่ไหมอื ผู้รู้ตัวเดยวจะว่ารู้เด่นๆอย่างเราคาดกันนี่ก็ไม่ถูกนะได้แต่ว่าสัแต่ว่ารู้แต่ล้อมเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ตามครูของหยิมเหมือนกันนะอัศจรรย์เล่นเหมือนกันทำงานมันมันกรบปุกมาในขนาดจิ้ม น, นงั้นเราเดี๋ยวไม่มีอะไรจะแตกต้องจะไปแตกต้องมันไม่ได้เลยต้องสับแต่ว่าเท่านั้นจะดีนานแค่ไหนเหมือน แต่นี่เวลาภาวนาใครจะไปฆามไม่ได้งั้นเนี่ยฆาดไม่ได้มันต้องเป็นธรรมชหลักธรรมชาของมันเองมันเป็นมันไปเองเราจะไปฆ่าดนี้ไม่ได้เรื่องเลยอยากฟัเล่าฟังนี้เกี่ยวกับผู้ภาวนานอกจากฆ่านิพพานเท่านั้นเราถ้งเราเป็นงั้นนั้นประกา้ไม่ได้่อง มันจะเป็นยังไงก็ตามเราจะประพาดถ้่เราให้จิตเราเป็นอย่างนั้นท่านว่านั่นเราให้เป็นอย่างนั้นท่านว่านั้นเราให้เปอย่างนั้นไม่ต้องคือเราให้ให้รู้ตามความจริงความเป็นของเรามันเป็นยังไงให้รู้ตามนั้นเอ่นั้นเองถ้าไม่ลองไปไปหยิบอนิจตัวปัจจุบันนี้นยิบอนิจตัวปัจจุบันนี้มได้นั่นความคามที่จิตผนดความที่จิตผุท้ม้นมา เราไม่มชอบคื อ, อบุคคลบุคคน้มาที่นใ น, ใ น, ในวลาที่ตัวเองมีนัดข น, นาดธุก ธ, ธรรมดากไ็ไม่ถูกทำอยู่ในย่านกลางเพื่อข้างนึงนะถ้านอนพอรารับทรัพยากรจากข้าว่าอีกสามเดือนก็เลยจะเป็นที่ยิ่ง พอดีโกกดีใจกอถึงนานละวันจะทำละใครจะนายพระพุ้าท like ่านทรงข่าวไว้ท่านนี่การจะทำใท้นายพระองก็ทรงข่าวไว้แล้วแล้วปัดธนนายพานนลว่าโนนจะเสียใจคือตอนท่านพระนลร้องไห้นี่การที่พระพุเจ้าจะจะริบพานแล้วอาธนมาจะเสียใจนะครับเขาจะเป็นผู้ไม่มีเป็นผู้สิ้จใจไม่มีใจใน วันกัตาไน์นายนั่นแหละถ้าพูดจะเาหายอย่นี้นะการที่ท่ามนนก็พุดนั่นพอถึงวนะันนั้นก็เล่นความเพียรนม่นแหละถ้มจะัจะบรรลุจะบรรลุท่านั้นหรือท่นี้ไองานก็เลยไม่ทำท ด, ดีก่าหนมีแต่จะบรรลุท่าเดียวแก่คนนี่ทำไรก็ไม่ทั้งจะสว่าพอสวางขึ้นมากอนทาน้ทากาหนังก็จะทําไน์นายจนทาความเพียรนยี เป็นแย่เอ้ยทำงานนี่ไม่ได้เรื่องพ่อได้นั่คือถอนอุปทานขึ้นไปยึดอยู่นี่นะเ่งนี้ควบตัวนอนนอนนี่พอนอนยังไมถึงหมอนอายุสิบสี่ทัานเรียกว่าอายุสิบวันแปลว่ายินเข้มาใช่เดินก็้มาใช่นั่งก็ใช่นอนเข้าใช่คือพอเอลงไปแค่ถึงหมอนพอเอลงไปยังไม่ถึงหมอนมัน ข น, นี้การทานเขาตั้งาทางทางต่อความบนรลุธรรมก็ เ, เลยลืมคำนึงถึงงานของตัวที่จะทาทางานจะเป็นบรรลุไม่คหนที่รกาจะบรรลุแล้วจิันก็ไปอยู่่นแต่มันไม่ทางานไลถูกองค์กรเห็ น, น, นว่ามันจะได้สวางได้ทาไงมันเปนเงเี่ยวกับคำนวณงานแล้ ว, แ ล, วแล้วก็ทัง การทำไข่ไนนี้เราพยารามจากประสงค์ว่าจะปฏิจจภาพล้นไปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นต้สูงน่าจะยังไม่ถึงมืดคุ้นเป็นมาตราก็ตามแต่้าพล้นจเว้นภาพล้กันไม่ได้เนี่ยคารทำไขไนนี้ภาพล้นจะต้องเข้าสู่ทีวิตคุณไข่ไนนี้แน่ๆขั้นการหนึงพระพุทเจ้าก็ลงทำนายไว้แล้วด้วยขั้นอย่างไปยึดจากพอ เห็ทำบริการแล้วก็ทอดทุระนะคือความคิดมันจะนี่มันปล่อยหมดจิตความคิเป็นกลางาลเลยคือปล่อยไราเป็นกลางของภาพออกอย่างนั้นแต่ว่าจิตตรงนี้สมาธิคนหนาช้าแลทำงานอะไรอยู่ก็ไม่ช่ก็บรรลุอาการนี้ไปคือการจิตมารวมกวลั่มเลยมาอยู่เสมอแล้วก็เ็น เนีแม้แต่ขนาที่บรรลุก็ต้องเป็นกลางอานี้มัชิมาเนี่มัชิมานะอ้านะงตามบรรลุธรรมแมแต่จะปบรรลุในุ่วนของรรดีดเริ่มันั้นบรรลุไม่ได้ดีมาบรรลุอย่ น, นเคื่องาอสัญญา แาจะว่าอาต า, มมารย์านอยู่กำลังชุนมุนวายนี่มันกรลุข้อ ย, อย่างไงนเพนาะเาอาจารย์นี้ก็มาสนิดใจเหนกันนะที่มาสนิทก็คือสนิทตอนที่เป็นกลางจิตเป็นกลางสนิตใจมากํำลางที่มาเป็นชุนุมุนวายนี่นั่งนันนก้อยบรรลุเข้าจิดเข้าไปอยู่ที่เดีนวแนวเลยนี่มันก็เข้ารู้เขเฉมไม่ได้ดะ ไม่ไม่ใช่ที่ดึกแต่ตอนของอ ก, กลางกลางก ล, ลางของติตนะไม่ใช่กลางสมาธินู่นนั้นไปอยู่ในสมาธินู่นไม่ได้อยู่กําลังทางานนี้เห็นเรากำลังพิจารณานี่อยู่เพราพิจารณาแล้ว่อยจากนั้นมาไปดึอองต่างนี้อันีม้มีฐานแล้วอันมันลุน การขาดตาม่าดแล้วมันก็ขนาด ต, า ต, า ต, าตาิดเดียวกท่นั้นแพ็คเดียว่นั้นคํามารัรวมตรงมันหมดแล้วเดียว่านเหมือนเรากแก้วนี่ยถอนเพื่อเดียวทั้งลากไฟแล้วมันขาดมาหมดเลยนี่เนื้อจะลากแก้วขอนเพ่อเดียวมนหม ด, ด, ด้วรลตัดก็มาหมดตัดก็หมด ทาการสมูตะมืดึงการลูกเสือกิโลกรัมขึ้นแล้วมันมันถอดมาหมดแล้วนี่ทีนี้มันถอดออกมาหมดถอดออกมาหมดหมดหมดหมดจแม้ขันใ้ของมันมันหมอไปนีมันก็เหลือที่จิตเข้ากันนั่นทลยีเรตจรวมตัวเาเรียกว่าเป็นวิชารนรุนอาการของวิชาก็ออกมาทางทางลูเสือกิโลกรัมขึ้นไปขันคืองางานต้องขันวิญญาณเป็การคือ ที่เรียกอบกรรมการเนี่ยทางทางเดินน้ำมันือง่ายนะนี่ต่ตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาไล่จอนเข้าไปมันเข้าใจนี่มัน่อดเข้าใจนี่มันวดขวดเข้าไปปวดเข้าไปเราะทําอะไรก็เข้าใจหมดในขันท่ากเข้าใจหมดรวมตัวแล้วอันนี้เลยติดนนี้เลยติดแล้วจะ่ความยุ่งยากอีกท่านนี้เขาถามแต่การเขาเร็วต้ัดระ ก็มัเป็นเหรออะไรวะอะไรอะจะทำแค่พูดว wow. ่าอาญาปุถ ah ุชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของเขาถ้าบุคคลท่านพัโดาได้เนี่ยถ้ามีเคล็ดเคล็ดพัสดารไม่สามารถไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระอนาคามิของของพรกิทาคาได้พระสกิทาคาร์ไม่สามารถแก้ปัญหาของกรอนาคาได้ถ้าการไม่สามารถแก้ปัญหาของพระรหันได้ ถ้กลำลังด่ำเปนไปถ้ า, าหันม่สามารถแก้ปัญห า, าพุเจ้าได้ไพุทธเจ้านีิเป็นพุทธวสัยนี่มันมีเคล็ดนิดเคล็ดนิเคลเค่เเ น, นาที่จะบรรลุธรรม น, มนี้เป็นยังไงล้วเคยขึ้น่อหลักธรรมชาติคุยเอาหลักธรรมชาตินี้จะถามคุณท่านคุณทานไม่เคยครับไม่เคยรู้นี่ถามบ้าป็ดปุ๊บเลย <laughs> อา้าวคานนี้มันมีเคลค็ดลับลูกกรุงนี้ลูกกรุงภายในณจนี่มันเป็นอย<ม>่างนี้แล้วเอาจุดนี้แหละที่ออกเคนี้ไปถามคุณนั่งคุณนั้นยังไม่ผ่านนี้มันก็ไม่รู้<ม>คิดวาอาคตรู้ยังไงถึงเรียกว่าอนาคตคิดถึงทำหน้าที่ยังไงมันขนาดนเป็นไปยังไงนี่ถามป้าติดถ้าว่าเป็นผู้รู้ตัวกันแล้วพอถามป้าปากคันทีเลยเนี่ย อนเอาหารนี่ค่อนนี้นนต้อนเดือดต้องเป็นยงไงใส่ป้าเบี ย, ยร์เท่านัา้นยากเลยเพียงถามเแล้วท่านก็เข้าใจแล้วนี่ท่านทำไมจะตอบไม่ได้เพีงท่านั้นถามพวกทั้งที่เข้าใจครอบแล้วเนี่ยมันเข้าใจครอบแล้วตั้ยังไม่ตอบแล้วการตอบมันจะยากอะไร <c oughs> ไอ้แล้วกานที่นี้หน้านีนาก็ไม่รู้เรื่องย่านี้นะเพราะลักระทครอบน้อย นี่หนานหนาะ ม, มก็จะดีเลยนี่หน้าฟ้านี่หน้าฟ้ามันก็เท่านั้นแล้วก็ไม่เลมีเราจะทัครอบอยู่นี่นนเปิด แ, แล้วันห็ น, น, น, าา น, น, น, น, นมีเคดีเคล็กันถามแล้วถามแล้เวลาพู่องภาวนาซึ่งนัก็เหมือนเรา มครูนั่นนงเขาอ่านตน้นเด็กฝนทะเลเฉียงบรรจุ้นีเรื่องบรื่องลกเน่ ะ, ะถ้าใครที่ถูกครูฟังเนีคยคยรูรูหมดแต่เด็ ก, กคนนั้นก็บอกของตัวถูไม่ว่าของตัวถูกเคียงมรนจุมนต่ครูรู้หมดนอกจากจะตอบจะไม่ตอบไม่บอกเบาดีบอกนั่นเขาใจนี่แหละครูรู้แล้ว ฝ่านเป็นฝายผิดฝ่าย้นเป็นฝบวกคือบวกถูกกว่านคืองานนะรู้แล้วถูกน<ร>นการท่านพูดครับคู่ที่ผ่ายนั้นเข้าใจทัานทีทันทีเสนอหน้านก็ตามหรือทานพูดขึ้นมาก็าตามท่านจะเข้าใจกั น, น, นทาาีทึา น, นเป็นหน้าจะพอหน้าเผาดีบันนี่เป็น เพื่อคี่พูดารหรือเอาผลงานหรือว่าอาการจะสอนคนนั้นคุณมาศึกษามาเอาอบุญมาเล่าอาจารตรงนี้ฟัง น, นี่นะถ้าอาจารย์นี้ไม่ถามคุมชูุกภมนั้นมาได้เนี่ยแต่อาจารย์นี้ถือว่าจนเป็นอาจารย์อธิบายไปก็ขายภูมให้คนนั้นขายถ้าขายถือฐานภาพปฏิบัติเองนีน่คือถ้าไม่เขาา้าใจแล้วจะอธิบายไม่ได้เลยุูมภาพปฏิบัติขม่าติาาากัน เพานั้นล่าเป็นมาทนนี้จะตอบสุขุมภาพันได้โที่เราถือว่าเราเป็นอาจารย์แม้ไม่รู้เราก็เป็นอาจารนั้นเลยว่าเลยที่าขายต่วนั้น <c oughs> เอ่างนั้นนะผิดกร น, นะขายไดถ้ า, ถ า, างนี้ผ่านไปแล้วป ร, รารถนาถึงตูกไหนที่ตูนนั้นตอ น, นขายเขขายป้าเดียร น, นาเข้าใจนั่นอมนักกันถี่มาไม่นนาเข้าวดวผิดกานมากมายาที่เราทำคนคนนู้นก็ว่ามาเปิดหัวใจให้กันดูาเ าาระางกรรมฐา น, นนั่นหมาถึงธรรมะการไหนท่านปฏิบัติท่านมาอต่นานมาิบัมันเล่าต่างๆนพอูดไปท่านั้นมันก็อากมาเปิดตีเทิกันดูเลยพอเล่าว่าทางนี้อก้าจายเลยเขาจะขนาดไหนรกกู้ประทันถิ่นทีนั้นเหมือนการตรวจํามาถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ไม่่านไปก่อนแ้วอธิบายไม่ได้ไม่สาารอธิบายได้อีก น, นั่นโนกระทะข้อหวัวนั่นแหละผ่านมามยา่างมายะพอพู่แพนทำแตกติ